จเจริญพรท่านผู้มจเจตเมตตากรรณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัน เพื่อมาเสริมสร้างบุญบา ร, ร ม, มีเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าบุญบา ร, รมีนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นเหตุที่ทำให้พวกเรารวยหรือจนใหญ่หรือเล็กสวยหรือไม่สวยงามหรือไม่งามฉลาดหรือไม่ฉลาดเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่บุญบา ร, รมี ที่เราได้เคยสร้างมาในอดีตชาตินี้พวกเรามาเกิดจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของความร่ำความรวยในเรื่องของความดีความชั่วในเรื่องของความฉลาดความโง่ความแตกต่างของพวกเราเป็นผลที่เกิดจากการที่เรา ได้สะสมบุญบรารมีมาไม่เท่ากันนั่นเองเราจึงมีฐานะที่แตกต่างกันเราจะมาแข่งเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างมาในอดีตชาติถ้าเราอยากจะให้ชาติหน้าดีกว่าชาติที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเราก็ต้องมาสร้างบุญบรารมีกัน เพราะบุญบา ร, รมีนี่แข่งกันไม่ได้ไม่เหมือนแข่งรถแข่งเรือพอจะแข่งกันได้แข่งกันในชาตินี้ได้เลยหาเรือหารถมาก็แข่งกันได้แต่บุญบา ร, รมีที่เราหากันในชาตินี้มันยังไม่ออกผลในชาตินี้มันจะรอออกผลในชาติหน้าเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ในวันนี้ เราจะรอเราจะให้มันออกดอกออกผลในวันนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้นไม้นี่บางทีใช้เวลาหลายปีต้นผ ล, ลไม้ต่างๆต้องใช้เวลาถึงจะออกดอกออกผลขึ้นมาบุญบรารมีที่เรามาสร้างกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันยังไม่ออกดอกออกผลทันที มันต้องรอไปชาติหน้าชาตินี้ไม่สวยเดี๋ยวชาติหน้าสวยชาตินี้ไม่รวยเดี๋ยวชาติหน้ารวยชาตินี้ไม่ฉลาดเดี๋ยวชาติหน้าจะฉลาดชาตินี้ไม่เก่งเดี๋ยวชาติหน้าจะเก่งแต่ชาตินี้ต้องทําใจเหมือนกับคนปลูกต้นไม้ชาติก่อนเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ปีที่แล้วสองปีที่แล้วห้าปีที่แล้ว เราไม่ได้ปลูกต้นไม้เราก็เลยไม่มีผ ล, ลไม้มาเก็บกินกันแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เสื้อแต่วันนี้เดี๋ยวอีกสี่ห้าปีข้างหน้าก็มีผลให้เราเก็บกินกันปลูกมะพร้าวปลูกลำไ ย, ยปลูกเงาะปลูกอะไรต่างๆต้องปลูกวันนี้ถ้าอยากจะกินในวันข้างหน้าถ้าไม่ปลูกวันนี้วันข้างหน้าก็ไม่มีกินอยู่นั่นห เพราะฉะนั้นเราอย่ามาแข่งบุญบรารมีกันเพราะแข่งไม่ได้แข่งรวยแข่งเก่งกับเขาไม่ได้เขารวยมาก่อนเขาทำมาก่อนเขาจึงรวยกว่าสูงกว่าดีกว่าเราถ้าเราอยากจะดีกว่าสวยกว่างามกว่าเก่งกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เราก็ต้องมารีบสร้างบุญบรารมีกัน เพราะว่าเวลามันจะหมดไปเรื่อยๆชีวิตของเราจะสั้นลงไปเรื่อยๆอายุยาวแต่อายุชีวิตสั้นเขาเนี่นะอายุคือจำนวนตัวเลขายาวขึ้นไปเรื่อยๆจาก5ปีเป็น10ปีเป็น15เป็น20ปีแต่ชีวิตมันจะหดลงมาเรื่อยๆชีวิตมันก็จะเหลือน้อยลงไปเหลือจาก จากเหลือจากห้สปีก็เหลือ40ปีเดี๋ยวก็เหลือ30สปีเหลือก็20่สิบปีอายุมากขึ้นไปเท่าไหร่ชีวิตก็จะสั้นลงเท่านั้นงั้นเราอย่าประมาทเราต้องรีบสร้างบุญบรารมีกันถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวกลับมาชาติหน้าก็จะเป็นเหมือนชาตินี้ได้เท่านี้เคยทําเท่านี้ก็ได้เท่านี้ถ้าไม่ทําอาจจะและ แย่กว่าแย่กว่าที่เป็นอยู่ซสอีกเพราะว่าอย่างน้อยถ้าให้มันเท่าเดิมก็ต้องทำกับต้องทาเท่าเดิมถ้าไม่ทำเท่าเดิมเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาก็เร็วกว่าเดิมแย่กว่าเดิมแต่ถ้าทำให้มากกว่าที่เคยทำมาเดี๋ยวกลับมาชาติหน้าจะดีกว่าเก่าจะดีกว่าชาตินี้นี่คือเรื่องของบุญบรารมี เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจที่ทําแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นผลขึ้นมาดังที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าพวกเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นชาตินี้เราก็มารับผลของกรรมที่เราทําไว้ในชาติก่อน เราจึงมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติต่างๆนี่คือเรื่องของกรรมที่จำแนกแยกสัตว์ให้เป็นต่างกันไปสัตว์เราสูงต่างดีชั่วฉลาดโง่นี่อยู่ที่การกระทาคือกรรมที่เราทำกันในอดีตดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ ชีวิตของเราในอนาคตดีขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในชีวิตนี้เราก็ต้องมาสร้างบุญบารมีกันบุญบารมีนี้มีอยู่สิบข้อด้วยกันไม่ต้องกลัวมันไม่ยากหรอกถ้าเรามีความพร้อมที่จะทำถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะทำได้เหมือนกับเราเรียนหนังสือตอนต้นเราเริ่มที่ชั้นอนุบาล พอเราไปมองถึงชั้นระดับปริญญาแล้วก็คิดว่าไปไม่ไหวมันไกลเหลือเกินแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยเดี๋ยวก็เราก็ถึงขั้นปริญญาเองฉะนั้นใดการสะสมบุญบรารมีก็ทำจากกำลังที่เราทำได้ในขณะนี้ไม่ต้องทำมากกว่าที่เราทำได้ขอให้ทำเท่านั้นดีกว่าไม่ทำ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้กระทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันเกิดจากการกระทำของเราถ้าเรานั่งแบมือแม่เท้านี้เราจะไม่ได้อะไร <Yeah. S 1> ดังนั้นเรามาศึกษากันว่าบุญบา ร, รมีสิบประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญจนทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้านี้มีอะไรบ้างและเราลองมาทำกัน ตามกำลังของเราข้อที่หนึ่งเรียกว่าอธิฐานบารมีอธิฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอพวกเรามักจะคิดว่าขอกันอธิฐานขอนู่นขอนี่ขอเลขขอหวยขอเงินขอทองถ้าขอได้ป่านี้มันก็เป็นเศรษฐีกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเนาะนั่นขอไม่ได้อธิษฐานไม่ได้แปลว่าขออธิษฐานแปลว่าให้ตั้งเป้าตั้งใจ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลดีกับเราเช่นอยากรวยก็ตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเก็บเงินเก็บทองอย่าใช้แบบสุรุย่ยสุราย เ, เก็บไปเรื่อยๆอย่าไปใช้มันมากเดี๋ยวก็รวยเองนี่ตั้งใจพว่าอ ธ, ธิษฐานเราต้องตั้งใจเราต้องตั้งเป้าเราต้องการอะไร เราต้องการให้ชาติหน้าดีกว่าชาตินี้ให้เรารวยกว่าชาตินี้ให้เราสวยกว่าชาตินี้ให้เราฉลาดกว่าชาตินี้ให้เรามีอายุยืนยาวนานกว่าชาตินี้เราก็ต้องตั้งเป้าตั้งอาจิตอธิษฐานว่าเราต้องสร้างบารมีเพราะบารมีนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการไม่ใช่การขอ จุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ดนบันดาลให้ได้นู่นได้นี่ถ้าได้ป่านนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดแล้วแต่มันไม่ได้หลถ้ามันได้มันก็ฟลุกมันได้ก็เป็นเพราะเป็นผลที่ได้ทำมาในอดีตจะไม่ทำมันก็ได้จะไม่ขอมันก็ได้ถ้ามีเหตุแล้วผลมันตามมาเอง แต่ถ้าไม่มีเหตุไปขอจนวันตายมันก็ไม่มีผลตามมาดังนั้นเรามาอธิษฐานที่เหตุมาตั้งตั้งใจตั้งเป้าไว้ว่าต่อไปนี้เราจะสร้างบารามีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้สร้างกันพอเราตั้งมีอธิษฐานบารามีแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องมีสัจจะบารามีสัจจะก็คือความจริงใจ ไม่โกหกหลอกลวมตัวเองตั้งเป้าไว้แล้วปีใหม่ตั้งเป้าว่าจะไม่กินเหล้าไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันไม่แทงหวยพอถึงวันหวยออกก็ลิมไปซะนะพอเพื่อยมาชวนไปกินเหล้าก็ไปแล้ว อ, อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจ ะ, ะถ้ามีสัจจะมันจะจำได้เฮ้ยไปไม่ได้ปีนี้ตั้งใจแล้วว่าจะไม่กินเหล้าจะไม่แทงหวยจะเก็บเงินไว้ เอาเอาเงินที่เราเก็บเนี่เป็นรางวัลจากการแทงหวยรับรองด้วยว่าสิ้นปีนี้จะได้มากกว่าไปแทงหวยสิเคยจดบัญชีดูบ้างไหมว่าเราแทงไปได้กี่ตังกันเราสิ้นปีมาดูใช่ว่าเงินที่เราเสียกับเงินที่เราได้นี่อันไหนจะมากกว่ากันปีหน้ามันจะได้ฉลาดขึ้นไงโอ้ยรูปนี้ไม่แทงดีกว่าเอาเงินแทงหวยเก็บไว้นี่แหละเดี๋ยวสิ้นปีก็เหมือนได้เหมือนก็ได้แทงถูกหวยแล้วได้รางวัลแล้ว ข้อที่สองต้องมีสัจจะน ะ, ะต้องจริงจังจริงใจไม่โกหกหลอกลวงตัวเอง <c oughs> ตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ยกเว้นเหตุสุดวิสัยเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งใจจะมาวันวันนี้แล้วล้มเจ็บลงไปลุกไม่ไหว อ, อย่างนี้ก็แล้วไปแต่ทางที่ดีก็ต้องหาวิธีชดเชย พอหายแล้วก็ต้องกลับมาทำสองเท่า อ, อย่างนี้มันก็จะได้ไม่มีทางทางหลอกตัวเองเนี้ยมันเดี๋ยวมันจะาหาเหตุเป็นเหตุสุริสัยอยู่เรื่อยออ น, นี่คือข้อที่สองสัจจะข้อที่สก็ต้องมีวิริย ะ, ะความขยันหมั่นเพียรตั้งตั้งใจจะทำาไรแล้วก็ต้องทำไม่ใช่ตั้งใจไปแล้วก็ไม่ทำ มันก็ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ผลต้องทำต้องมีความเพียรความพยายามความพยายามแล้วก็ต้องมีขันติอดทนเพราะทำความดีนี้มันมันไม่เหมือนทำความชั่วทำความชั่วนี้มันง่ายไปเที่ยวปุ๊บนี่เพื่อนมาชวนปุป๊บไปเลยแต่ถ้าชวนไปทำบุญนี้เออติดนู่นติดนี่เงินไม่มีเงินไม่อะไรร้อย0 0 0ประการ เวลาจะทำความดีนี่มันมีอุปสรรคเยอะถ้าไม่มีความอดทนนี่ทำไม่ได้นห่นต้องมีขันติทำอดทนเมื่อตั้งใจจะทำแล้วพอถึงเวลาต้องทำมันจะยากลำบากยังไงก็ต้องทำฝนตกพ้าลอ้อมจะมาวัดตั้งใจจะมาวัดแล้วก็ต้องมาถ้ายังมาได้ก็มานดยางแต่เปลี่ยนยางได้ก็เปลี่ยนไม่ ต้องมีความอดทนต่อสู้กับภูกระคัต่างๆแล้วรับรองได้ว่าจะได้มาสร้างบารมีกันนี่คือบารมีสี่ข้อที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะสร้างบารมีต่างๆเช่นวันนี้อยากจะมาวัด เ, เราก็ต้องมีสัจจะมีอธิษฐานมีวิริยะมีขันติในงานนเดี๋ยวตื่นนอนขึ้นมาเมื่อคืนนี้นอนเด็ก นอนไม่พอแล้วไม่เอาดีกว่าไม่ไหวง่วงสู้ไม่ไหวสู้ความง่วงไม่ไหวไม่มีความอดทนก็เลยมาไม่ได้นะนี่คือเราต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะแล้วก็มีขันติแล้วเราจะสร้างบรารมีต่างๆได้บรารมีข้อที่หนึ่งที่เราต้องสร้างก็คือเมตตาบรารมี เราต้องมีความเมตตาต่อกันเพราะถ้าเราไม่มีความเมตตาต่อกันเราจะทำความดีไม่ได้จะสร้างบารมีไม่ได้เช่นทานบารมีอย่างอน้ญาตโยมาสร้างทานบารมีโดยการเอาเข้าวของเงินทองมาถวายพระนี่ถ้าไม่รักพระถ้าไม่มีเมตตาต่อพระนี่ไม่มาหรอกถ้าโกรธพระเกลียดพร ะ, พระจะมาทำไม แต่พอมีความรักมีความปรารถนาดีต่อพระสงฆ์องค์เจ้าก็เลยมาทำทานกันได้นั้นเราต้องมีเมตตาบารณีกับสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่เรารักคนที่เรารักนี่มันไม่ต้องมีเมตตาหรอกมันมีโดยอัตโนมัติให้คนที่เราไม่รักนี่แหละมันยังไม่มี <c oughs> เราต้องไปแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่รักคนที่เราไม่รู้จัก แต่คนที่เราไม่คนที่เรารักแล้วนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปแผ่หรอกมันรักโดยอัตโนมัติมันเห็นมันก็รักอยู่แล้วมันชอบอยู่แล้วนอกจากเวลามันทำให้เราโกรธเท่านั้นพอทาให้เราโกรธทีนี้มันไม่รักแล้วสิมันมันจะกับแล้วมันจะกินละตอนนั้นก็ต้องแผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ตอนที่เราอยู่คนเดียวชอบแผ่กันตอนอยู่คนเดียวเวลานั่ง สวดมนต์นั่งสมาธิาเสร็จก็แผ่เมตตากันตอนนั้นไม่มีใครรับไปแผ่ทาไมการแผ่เมตตาจะต้องมีคนรับถ้าไม่มีคนรับแผ่ไปแผ่ไปกับความว่างมันจะได้ประโยชน์อะไรเราต้องแผ่ตอนที่มีคนรับอย่างตอนเนี้มามาวัดเนี่ยเจอใครก็แผ่ได้หมดเลยเนี่ยคนนอบข้างเราใครก็ทําอะไรให้เราไม่มบไม่พอใจก็อย่าไปโกรธเขา ไม่อภัยเข า, เาไม่เป็นไรเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เคยมาวัดมาก่อนไม่รู้มารยาทของการมาวัดว่าจะต้องทำอย่างไรเวลาฟังเทศฟังธรรมเขาไม่รู้ก็คุยกันทำนู่นทำนี่กันก็อาจจะทำให้เราเกิดความลำคาญใจขึ้นมาเราก็ต้องแผ่เมตตาแผ่ตอนนั้นแผ่ตอนที่กาลังเกิดความโกรธแผ่ตอนที่เกิดอาฆาตพยาบาท ด้วยการให้อภัยไม่ถือโทษกฎเคืองไม่จองเวรจองกรรมนี่คือการแผ่เมตาตาถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะทำสร้างบา ร, รมีคือทานบา ร, รมีได้สร้างศีลบา ร, รมีได้เพราะคนที่มีความเมตตาจะมีแต่อยากให้คนอื่นมีความสุขเรารักใครเราก็อยากจะให้เขามีความสุขใช่ไหมเรามีอะไรเราก็แบ่งกัน โยมรับพระสงฆ์องเจ้ามีข้าวของเงินทองก็เลยเอามาแบ่งมาถวายพระกันถ้าไม่รับพระไม่มาหรอกคนที่ไม่ชอบพระไม่ชอบวัดเขาไม่มาวัดหรอกเขาจะไปบ่อนไปบากันมากกว่าตรงนี้เขาไม่มีความเมตตาเขามีแต่ความรักตัวเขาเองเมตตาตัวเขาเองอยากจะหาความสุขใส่ตัวเองก็เลยไปหาความสุขจาก ไปบาไปผับไปบ่อนไปสถานบันเทิงไปสถานท่องเที่ยวต่างๆแล้วไปก็ไปกัดกันไปเจอกันที่ไหนก็กัดกันทะเลาะกันตีกันทะเลาะวิวาสกันขับรถปาดหน้ากันแซงกันเบียดกันเดี๋ยวก็ลงมาด่ากันเนเพราะไม่มีความเมตตามีแต่คิดเห็นแต่เห็นเห็นเห็นแก่ตัวเอง ไม่คิดถึงผู้อื่นขาดความเมตตากันแต่คนที่มาวัดนี้จะเป็นคนใจเย็นใจเมตตาใคร่าดหน้าปาดหลังก็สาธุสาธออุอย่าจะรีบไปนรกก็ไปเถิดนี่คือคนที่มีความเมตตานะแล้วจะมีความสุขคนที่ไม่มีความเมตตานี้จิตจะร้อนจะโกรธจะเกลียดอยู่เรื่อยๆคนที่มีความเมตตานี้จะ มีความสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดคนที่มีความเมตตาแล้วก็จะไม่ตายด้วยสัตว์ราหุธไม่ตายด้วยยาพิษและเวลานอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายและเวลาตายไปก็จะไปสู่สุขติเพราะว่ามีความเมตตามีแต่ทําบุญทาทาน ทานบาลามีแล้วก็ไม่ทำบาปรักษาศีเลเจริญศีลบาลามีเมตตาบาลมีจะทำให้เราสร้างทานบาลามีได้สร้างศีลบาลามีได้แล้วพอเรามีศีลบาลามีเราก็จะสร้างเนคขมมะบาลามีต่อได้เนคขมมะก็คือการถือศีลแปดถือศีลบวชนี่เองศีลบาลามีนี่หมายถึงศีลห้าคน ถ้าเรารักษาศีน่าได้อีกรักษาอีกสามข้อก็ไม่ยากก็มาลองรักษากันในวันพระก่อนก็ได้วันอื่นมันยิ่งต้องทํางานไม่สะดวกก็ยังไม่ต้องรักษาศีนแปพอวันพระหรือวันหยุดทํางานเราก็มาถือศีนแปกันสมัยนี้วันวันวันหยุดทํางานของเราไม่ตรงกับวันพระเช่นเราหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องมาถือวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันพระของพวกเรา มาถือศีลแปดกันมาสร้างบุญบารมีกันอย่างวันอย่างที่เรามาทำกันในวันนี้เรามาสร้างเมตตาบารมีเรามาสร้างทานบารมีแล้วเราก็มาสร้างศีลบารมีวันพระวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เราก็มาสร้างเนคขมมาบารมีเนคขมมาแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือยุติการหาความสุขทางร่างกาย ทางกามอารมณ์ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่รับประทานอาหารมากเกินไปเอาแค่วันละมื้อก็พอแล้วต้องก่อนเที่ยงวันหลังเที่ยงวันก็ไม่รับประทานอะไรแล้วก็งดบันเทิงต่างๆดูหนังดูละครฟังเพลงร้องราทําเพลงเสริมความงานแต่งหน้าทาปากทําทเผาทําทผมใส่เสื้อผ้าที่วิจิตรพิสดาร เป็นเหมือนตัวลิเกเป็นมนุษย์ธรรมดาดีกว่าไม่ต้องใสอะไรให้มันยุ่งยากความสวยงามอยู่ที่ศีลบัรามีคนเราไม่ได้สวยที่เสื้อผ้าอภรรตร่างกายนี้มันสวยยังไงเดี๋ยวมันก็เหี่ยวต่อไปมันก็กลายเป็นคนแก่ไปแต่ถ้าศีลด้วยศีนี้ไม่มีวันเสื่อมตามเวลาศีนี้จะอยู่กับเราไปตลอด คนที่มีศีลนี้เป็นคนที่น่ารักเหมือนสุรานี่ถ้าเก็บไว้นานยิ่งอร่อยศีนคนที่มีศีนนา น, านๆยิ่งเป็นยิ่งเป็นคนที่น่ารักพยายามรักษาศีลให้ดีแล้วก็มาหัดยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันด้วยการมาถือศีนแปะเพราะถ้าเราถือศีนแปะได้เราก็จะสามารถสร้างบา ร, รมีข้อต่อไปได้ คืออุเบกขาบาลเมีอุเบกขาบารเ ม, มีนี้เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะนั่งสมาธิได้ต้องมีเวลาถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็ไปดูละครกันเดี๋ยวก็ไปเที่ยวกันเดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงกันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันพอมาถือศีลแปกันก็จะมีเวลาเพราะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นถ้าเรานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นเดี๋ยวเราก็จะได้ความสงบได้อุเบกขาที่เป็นความสุขดงกว่าความสุขที่เราจะได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรส ต, าตา่างๆถ้าเราได้อุเบกขาได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะติดใจต่อไปเราก็จะถือศีลแปดทุกวัน พ่ามันดีกว่าไม่ได้ถือศีลแปดเพราะถือศีลแปลแล้วเราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้เป็นอุเบขากันความสุขที่ได้จากความสงบจากอุเบขานี่มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะความสุขทั้งปวงนี่ไม่สามารถทําใจให้เราเป็นโอเบขาได้อุเบขาคืออะไร ก็คือความใจที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่เองเวลาได้ยินอะไรเห็นอะไรก็จะไม่รักไม่ชังใครด่าก็ไม่โกรธใครให้อะไรมาก็ไม่ดีใจเฉยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบที่เราไม่อยู่มีอะไรมามันจะต้องทำให้เราวุ่นวายทันทีมีของมาก็ต้องคิดแล้วว่าจะเอาไปเก็บที่ไหนเอาไปใช้อะไรเอาไปทำ ให้ใครทําอะไรไม่มีกับสบายกว่าเพราะไม่มีอะไรจําเป็นจะต้องมีสําหรับพวกคนที่มีอุเบกขานี่เขาเพียงแต่มีอาหารกินวันละมือ้อเขาก็อยู่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดเขาจะอดตายเขาก็ไม่เดือดร้อนอีกเพราะใจที่มีอุเบกขานี้ก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ไม่ต้องมีร่างกายพาไปเที่ยวพาไปหาอะไรต่างๆใจที่มีอุเบกขานี้คือใจที่ ที่พอนี่เองคำว่าพอก็คือไม่รักไม่ชังถ้ายังรักยังชังยังกลัวยังหลงอยู่ก็แสดงว่ายังไม่พอเห็นเงินเห็นทองก็รักขึ้นมาทันทีอยากได้ขึ้นมาทันทีพอเสียเงินเสียทองไปก็โกรธขึ้นมาทันทีกลัวขึ้นมาทันทีนี่แหละถ้าใครได้ได้อุบเบกขาแล้วนี้จะไม่อยากได้อะไรแล้วก็จะทำให้เราสามารถจเจริ บารมีข้อสุดท้ายได้คือปัญญาปัญญาบารมีก็คือความรู้ที่พุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุความรู้ที่จะทำให้เราดับความทุกข์ทั้งปวงความรู้ที่จะทำให้เราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้และสิ่งที่จะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คือกิเลสตัณหานี่เองและสิ่งที่จะทำลายมันได้ก็คือปัญญา กับอุเบกขาถ้าเรามีอุเบกขาแล้วปัญญาสอนให้เราว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรเราก็จะอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี้พออยากอะไรขึ้นมาแล้วอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันบันทรมานใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่เหมือนกับใครเอาหอกมาทิ่มแทงหัวใจก็ อยากอะไรขึ้นมาปั๊บนี่มันอยู่ ก, กังวลก็มันเกิดความกังวลก็วายกระสับกระสายเกิดควา ม, มหงุดหงิดเกิดความเหงาเกิดความว้าเหวขึ้นมาทันทีอยู่คนเดียวพอเกิดความอยากมีแฟนนี่มันจะเหงาขึ้นมาทันทีมันจะว้าเหวขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่มีไม่มีความอยากมีแฟนมันจะเฉยเฉยอยู่คนเดียวสบายจะตายไปไปมีแฟนแล้วต้องมาวุ่นวายกับแฟนต้องทะเลาะ ก, กับแฟน แล้วเดี๋ยวเกิดแฟนจากไปก็ต้องมาเสียอกเสียใจกันนี่คือปัญญาให้มองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมันไม่ใช่ของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปพาะฉะนั้นอย่าไปมีอะไรดีที่สุดแม้แต่ร่างกายนี้ก็อย่าไปอยากถ้ามันจะตายก็ให้มันไป อย่าไปอยากให้มันอยู่เพราะถ้าอยากให้มันอยู่แล้วมันจะทุกข์มันจะเครียดมันจะทรมานแต่ถ้าอยากถ้ามันจะไปปล่อยมันไปเราจะสบายเราจะสงบจะไม่มีความทุกข์และจะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปนะก็ไปถึงพระนิพพานนะไปถึงพระนิพพานด้วยบา ร, รมี1ิประการที่ได้แสดงไวน้นี้เริ่มต้นที่อธิษฐานบา ร, รมี สัจจะบารมีวิริยะบาลมีขันติบารมีเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีของพวกนี้เราทําได้กันทุกคนเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราทํากันได้ไม่เชื่อลองทําดูลองตั้งใจว่าจะมาวัดทุกวันวันเสาร์วันอาทิตย์ พอตั้งใจแล้วก็มาคนบางคนนี่เขามาทุกวันเนี่ยเขามีความตั้งใจเขาก็มาได้ไม่เห็นยากเย็นตรงไหนเลยเราอยากไปเที่ยวเรายังไปได้เลยะตั้งใจไปเที่ยวทำไมไปได้ไมาตั้งใจมาวัดทำไมจะมาไม่ได้มันก็ความตั้งใจเหมือนกันเพียงแต่เป้าหมายมันต่างกันนะในและผลประโยชน์ก็ต่างกันมาวัดมันได้ประโยชน์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไปเที่ยวมันก็มันก็จะไปติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดจะเอาอย่างไรดีจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็ขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจของเรานี่วันนี้ถ้าตั้งใจไปเทีเ่ยวก็ไปติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าตั้งใจ ม, <mumbles. S 1> มาวัดก็จะไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นขอให้เราเชื่อพระเจ้า เชื่อว่าเชื่อในความสามารถของตัวเราเองว่าเรากับพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างกันตรงไหนเป็นคนเหมือนกันมีจิตมีใจเหมือนกันมีความรู้ความสามารถเหมือนกันเราทาได้พระพุทธเจ้าทำไ ด, ำได้เราก็ต้องทำได้ถ้าเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เสียเวลามาสอนพวกเราแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าพวกเราทำได้จึงสอนพวกเราเหมือนกับครูตามโรงเรียนก็เห็นว่าเด็ก นี้เรียนเป็นถึงชั้นปริญญาได้ก็เลยรับเขาเข้าสู่ชั้นอนุบาลก่อนจากอนุบาลนี่ก็ขึ้นไปสู่ปฐมจากปฐมเขาก็ไปมัธยมเองชั้นใดาการบำเพ็ญบรารมีก็เป็นอย่างนี้ขั้นต้นก็ไปจากเมตตาบรารมีแล้วก็ไปสู่ทานไปสู่ศีลไปสู่เนขมัมมะไปสู่อุเบกขาไปสู่ปัญญาตามลําดับเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ พบหน้าชาติหน้าของเราดีกว่าพบนี้ให้รวยกว่าเก่าให้เจริญกว่าเก่าให้สุขกว่าเก่าให้สวยกว่าเก่าให้ฉลาดกว่าเก่าขอให้เรามาสร้างบารมีกันเถิดขอให้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เป็นข้อคำโกหกเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นความจริง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 โดยทั่วหน้ากันเธอ